ก็ก็เจริญพรญาติโยมก็เช้านี้สิบโมงเจอกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนี้หลวงพ่อได้เปิดไฟเสียงของหลวงพ่อคำเขียนก็เห็นว่าไฟเนี้ยมันเป็นไฟที่มีแบบมันเป็นข้อปฏิบัติเนาะเป็นแก่นธรรมะหมายถึงว่าใครที่ เอาไปใช้ออกไปฝึกแล้วเนี่ยก็จะให้ผลจริงฟังท่านและฝังท่านก็แบบเออคนที่เหมือนกับถ้าเข้าใจแล้วมันก็ฟังง่ายอ่ะเนาะแต่พูดถึงสมัยก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจก็ฟังยากมากเพราะว่าการฟังเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคิดคิดเพื่อที่จะให้เข้าใจแต่ทีนี้ว่าถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ฟังฟังฟังฟังไม่ต้องอาศัยความคิด แล้วก็จับสภาวะที่มีที่ปรากฏอยู่ในกายในเนื้อในตัวเนี่ยรับรู้ถึงสิ่งที่กําลังปรากฏโดยไม่ต้องคิดพอฟังด้วยการไม่คิดเนี่ยมันจะโลง่งมันโปร่งมันเบาอะไรเนี่ยนะแต่ว่าถ้าฟังไปคิดไปโอ้ปิดหัวมากเลยหลวงพ่อมันจับทางได้บางทีมันมีสภาวะบางอย่างเนี่ยับอพอจับทางได้ปั๊บเนี่ยเอามาใช้เลยเช่นสมมุติว่า ตอนเราฟังเนาะเราฟังไปเราไม่รู้เรื่องละพอไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วก็เริ่มจับเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้กำลังนั่งฟังอยู่นะคือให้รู้ตัวเราเนี่ยให้รู้ตัวเราว่าเราเนี่ยตัวเนี้ยกำลังนั่งฟังอยู่มันก็รู้ได้แบบไม่ต้องคิดนี่การรู้ตัวเราเนาะรู้จักตัวเราแล้วตัวเรานั่งฟังอยู่เออก็เห็นตัวเราอยู่แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆก็รู้ตัวเราไปก็กลายเป็นว่าเสียงก็ได้ยิน รู้ตัวเราก็มีอยู่แล้วก็ตั้งมั่นอยู่กับตรงนี้ไม่ต้องคิดให้เหนื่อยเลยแล้วก็เห็นอยู่มันก็การได้ยินก็มีอยู่ตัวเรานั่งอยู่ก็เห็นอยู่เ น, นี่ยรู้จักตัวเราเนี่ยก็เลยแบบโอไม่ต้องใช้หัวคิดเพื่อที่จะให้เข้าใจอะไรเห็นอยู่รู้อยู่หลวงพ่อจึงเหมือนกับว่าเออถ้าใครจับทางตรงนี้ได้เนาะมันก็จะจะง่ายจง่าย ทีนี้วิธีแนะนํำของหลวงพ่อก็เหมือนบอกว่าเอ๋อเบื้องแรกนะให้รู้จักตัวเราทั้งตัวไปก่อนรู้จักตัวเราตัวเราก็คือไม่ใช่ตัวเขาออต้องไปเทียบกับข้างนอกก่อนถ้าเรารู้จักตัวเขาแล้วก็มันก็ต้องรู้จักตัวเราอยู่แล้วทีนี้พอรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยเราต้องคิดไหมล่ะว่าคนนี้ตัวเราเราต้องท่องไหมว่าคนนี้ตัวเราไม่ต้องท่องเลยมันรู้ไปแล้วรู้ไปแล้ว ท si estas estas, ีน si ี้พอจับทางได้อย่างนี้อ๋อรู้จักตัวเราแล้วก็รู้จักไปสิตัวเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยทีนี้พอจะลุกไปไหนจะเดินไปไหนมันก็รู้จักตัวเราแล้วนี่ก็ไม่ต้องบอกว่ารู้หนอแล้วทีเนี้ยจะเดินก็รู้ตัวจะนั่งจะทําอะไรก็รู้ตัวมันก็รู้อยู่อย่างเนี้ยรู้รู้มารู้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะรู้จักตัวเราแบบรู้จักเออย่างดีขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่ารู้จักตัวเราชนิดที่จิตเนี่ยมันไม่ค่อยพลากไปไปรู้อย่างอื่นแล้ว เพราะกลับมากลับมาก็คือรู้ตัวเราอันนี้เบื้องต้นนะให้รู้จักตัวเราเบื้องต้นก่อนทีนี้สมมติหลวงพ่อพูดมาแค่นี้คนอาจจะยังเข้าใจบอกอรู้ยังไงมารู้ตัวเราหลวงพ่อก็บอกว่าเอารู้จักตัวคนอื่นไปละถ้ารู้จักตัวคนอื่นแล้วทีนี้ก็ที่เหลือก็คือตัวเราเออรู้จักตัวเราแล้วก็คือไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดแล้วรู้จักตัวเราไปแล้วทีนี้มารู้จักตัวเราแล้วเนี่ย ชีวิตประจำวันนะก็ให้รู้ไปเรื่อยๆไงรู้ตัวไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้บางๆรู้เบาๆรู้เล่นๆไม่ใช่ว่าแบบบังคับจิตเพื่อให้รู้เนาะจิตมันอาจจะไปรู้สิ่งอื่นก็ได้แต่ว่าเออมันที่จะรู้สึกตัวรู้ตัวเราให้มากขึ้นรู้ตัวเรามากขึ้นทีนี้สมมติสมมติน้าสมมติโยมฟังเข้าใจแล้วเนาะโยมก็ ไปก็เรียวกว่าไปทําไปทําตามที่ได้ยินได้เข้าใจเนี่ยไปทําก็คือไปเดินไปนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่รู้จักตัวเราหลวงพ่อเนิรกบงทีนะคนถ้าไม่รู้จักตัวเองนี่เราว่าเออวันก่อนใครพูดนะบอกถ้าไม่รู้จักตัวเองบ้าไปแล้ว <c oughs> ตัวเองยังไม่รู้จักเออถ้าไม่รู้จักตัวเองบ้าไปแล้วหลวงพ่อเข้ามาแต่ละทีก็พูดแต่เรื่องรู้สึกตัวนี่แหละ เพราะว่ามันเป็นวิชาพ้นทุกข์พ้นทุกข์ในปัจจุบันการที่เอาตัวเราไปรู้อย่างอื่นเนี่ยมันมันไกลต่อความพ้นทุกข์แต่ถ้ารู้ตัวอ๋อไอตัวเนี่ยตัวเรามันเป็นตัวทุกข์ตัวเราเป็นตัวตายตัวเราเป็นตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายเมื่อรู้จักตัวเราแล้วควรหรือจะยึดว่าอันนี้มันเป็นของเราจริงๆ ถ้าในาพระสูตรเขบอกไม่ควรพระเจ้าข้าไม่ควรไม่ควรยึดพระเจ้าข้าเออนะฮะสมัยที่มีปัญจวัคคีย์ไปไปเข้าเฝ้าไปกราบเรียนออไปเรียนธรรมะกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเรื่องขันห้านี่แหละขันห้าก็คือตัวเรานี่แหละรูปมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอา่าเดี๋ยวหญิงเอาพูดเลยเอา้านมัส ก, การครับหลวงพ่อครับอ่า พ่อปลาพอดีเห็นหลวงพ่อดึงขึ้นมาก็เลยก็เลยขึ้นมาครับหลวงพ่อเออเอก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะครับหลวงพอ่อหลวงพอ่ อ, งพอถามดีกว่าแล้วแล้วผมผมตอบดีไหมหรือว่ายังไงดีครับเหมือนกันเลยหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อพูดคนเดียวหลวงพ่อไม่รู้จะพูดอะไรงั้นงั้นเั้นอย่างนี้ดีกว่างั้นในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ผมผมก็คือช่วยคุยถ้าหลวงพ่อก็ก็สกิดแล้วกันตรงไหนผิดตรงไหนถูกอะไรอย่างนี้ฮะออ เพราะว่าในในห้องนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็คือก็ก็ก็เอฟซี FC หลวงพ่อเนี่ยฮะก็คนกันดิงทีนี้ก็ผมก็ศึกษากับหลวงพ่อมาได้สักพักหนึ่งฮะก่อ น, ก, อนก่อนเจอหลวงพ่อนี่ก็ไม่ไม่ได้ศึกษาธร ร, รมะจริงจังแต่ว่าชอบอ่านหนังสือธ ร, รรมะแนวธรรมะประยุกต์ะฮะอย่างห น, นังสือพายการไพศาลพวก the power of now อะไรพวกเนี้อ่านมาก็เคยได้ยินคําว่าจิตรู้จิตประพัดสอนมาแต่มันก็ มันมันเป็นแค่แค่การอ่านแล้วมันก็ก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยพอพอมาศึกษากับหลวงพ่ อ, อจริงจังเนี่ยหลวงพ่อก็ปูพื้นฐานให้ใหม่เลยตั้งแต่การรู้ตัวว่าว่ารู้ได้อย่างไรตอนแรกผมมาผมก็ไม่เข้าใจนะก็หลวงพ่อก็เล่านิทานว่าถ้าในห้องมีสามคนเห็นไหมพอมีเราเข้าไปในห้องเนี่ย เป็นกี่คนก็เป็นสี่คนอะตรงนั้นก็รู้แล้วว่าไอ้คําว่ารู้ตัวเนี่ย ม, มันมันมีหลักการประมาณนี้เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปต่อยอดฟังหลวงพ่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่องเรื่องอรู้ตัวรู้ตัวเราเรารู้อะไรอย่างเงี้ยพอฟังไปบ่อยๆนี่ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้คว า, อาว่าอวิชชาที่ว่ามีตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงคือตอนแรกผมยอมรับเลยว่าผมผมไม่เข้าใจผมไม่เชื่อได้ว่า บอกว่าไม่มีตัวตนจะไม่มีได้ยังไงก็นั่งอยู่ก็ก็ก็คิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสังขารมันเป็นธรรมชาติที่มันปรากฏคือถ้าเราเข้าใจาสัธรรมข้อนี้แล้วพิจารณาตามเงี้ยทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันมันก็แค่สิ่งเกิดดับมันมันระยิดถือไม่ได้เลยไอ้ไอ้สังขารเนี่ยมันก็หลอก หลอกสร้างตัวตนของเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรความหลงผิดเหมือนเหมือนที่ใครพูดแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยพอเราพอเรามีความเห็นถูกเนี้ยเราก็คือคือผมเข้าใจว่าความเห็นถูกก็ดีความเห็นผิดก็ดีพวกนี้มันมันก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าเขาเรียกเนี่ยมันเป็นความเห็นถูกที่เรา ไม่ไม่หลงไปในความคิดนะฮะคือเข้าใจศัจธรรมอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายพอเรากลายเป็นผู้เห็นถูกเนี้ยเราก็จะรู้ว่าไอ้ผู้เห็นถูกของเราเนี่ยมันก็เป็นสังขารเราก็วางมันลงมันก็มันก็ไม่มีอะไรเลยมันแค่ธรรมชาติที่มารู้เรากับกับธรรมชาติที่ปรากฏที่เกิดดับอะไรอย่างเงี้ยครับครับหลวงพ่อประมาณเนี้ยครับที่ขึ้นมาแชร์ครับสาธุสาธุครับแจําแจ้งนะนะชัดเจ น, ม, นมากเลยเออไม่ น, นี่นี่พูดถึงว่า การแสดงออกถึงการพูดแบบเนี้ยนี่แสดงว่าเป็นเป็นความเข้าใจนะถึงได้พูดออกมาอย่างถูกต้องไงอืมเพราะรว่าเราพูดเราไม่ได้แบบแบบจําในตำราแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจแล้วก็พูดออกมาจากใจนะครับถ<ก>้าถูกต้องแล้วแหละเอเข้าใจถูกต้องแบบนี้แล้วล่ะก็ผมก็จริงจริงเพิ่งเพิ่งเข้าใจจริงๆเนี่ยไม่ไม่นาเนเองเพิ่งวันวันศุกร์ที่แล้วนะครับที่ว่ามีคุณอิงขึ้นมาแล้วก็ใครอีกสองคนไม่ทราบแล้วที่ว่าลถ รถโดนล็อกลอ้อฮะหลวงพ่อคือ ม, มันระหว่างทางเนี่ยมันก็มีการหลงการไปไปสร้างตัวตนคือผมผมแชร์ในประสบการณ์ของผมนะฮะหลวงพ่อคือเราเรามองไม่เห็นสังขารรอบตัวที่มันเกิดขึ้นฮะเนื่องจากสติเราเราอดอยู่นะฮะหลวงพ่อทีนี้ก็เลยแบบจากนี้ไปก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ยังเป็นสังขารที่ปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อแต่ทีนี้มันก็ต้องรู้แบบเขาเรียกยังไงดีมันมันไม่มีใครที่แบบถ้าจะให้พูดได้ถูกคือ มันธรรมชาติของมันอ่ะมันก็เกิดดับของมันอยู่แล้วเราอย่าไปยึดอะไรมันเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ย น, นะครับเออ เ, ออเออก็ถูกแหละมันก่อนเรื่องโยมแผลติว่ารถถูกล็อกล้อนะแล้วก็เกิดอาการอย่างงู้นอย่างงี้นีะ้ะอันนั้นมันก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ที่มีอยู่จริงในขณะนั้นนะเออแต่สุดท้ายเนี่ยถึงก็บอกว่าเนี่ยทุกอย่างเป็นสังขารหมดมันก็หมดไปมีแล้วหมดไปหายไปอ่าทีนี้เราก็มาเทียบกับปัจจุบัน ไอตอนวันก่อนไอตอนชั่วโมงที่แล้วกับตอนนี้เห็นไหมมันสภาวะมันไม่เหมือนนะสภาวะเดิมหมดแล้วก็เป็นสภาวะใหม่ที่เป็นปัจจุบันทีนี้พอเราเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติที่มันแปรเปลี่ยนอย่างนี้ก็มันจะสามารถเข้าทุกเรื่องเลยว่าทุกเรื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องหมดไปเออมันจะต้องหมดไปหมดไปเพราะนั้นเนี่ยวิธีเรียนเนี่ยก็คือเรียนรู้ความจริงมันเนาะไม่ได้เป็นผู้หลับ ผู้หลับคือผู้ที่แบบไม่รับรู้อะไรเลยปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปิดการรับรู้ทางใจปิดเลยเข้าฌานเลยอย่างนั้นเนี่ยมันก็เรียนรู้อะไรไม่ได้เฉะนั้นการเรียนรู้ก็คือนี่เนี่ชีวิตประจำวันเนาะอยู่มีตาตาก็ดูมีหูหูก็ได้ยินนะจมูกก็รู้กลิ่นลิ้นก็รู้รสกายก็รู้กระทบสัมผัสจิตใจก็รู้ธรรมารมณ์รู้สิ่งที่เกิดในใจนะแล้วก็เรียนรู้เรื่องความปรากฏนะ ปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปเนี่ยเรียนอยู่แค่นี้แหละแล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จจริงๆอ่ะเอาอะไรมาเรียนคนคนถ้าถ้าถ้าเข้าใจเรื่องเรื่องสิ่งที่ปรากฏแล้วนี่นะกับสิ่งที่ไม่ปรากฏเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลามาเรียนเนี่ยก็เอาสิ่งที่ปรากฏนี่แหละมาเรียนเนาะแต่ทีนี้ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าเราเน่เป็นผู้มาเรียนแต่จริงๆอ่ะมันเป็นแค่แค่สิ่งที่มีนะหูก็มีตามืจมูกก็มี เนี่ยก็มาเรียนรู้กับอารมณ์อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่สุดท้ายทั้งตาที่เป็นผู้ทั้งเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้กับสิ่งที่ถูกตารู้โอสุดท้ายมันก็เป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นมีแล้วหมดไปมีแล้วดับไปหมดเมื่อรู้แจ้งรู้รอบอย่างเนี้ก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงเลยหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงกายใจทุกไม่เที่ยงหมดสิ่งที่อยู่นอกตัวรูปรสกลิ่นเสียงก็ไม่เที่ยงหมด อแล้ว ก, ก็การรับรู้ที่แต่ละขณะขณะก็ไม่เที่ยงหมดแล้วโยอมดูสิว่าแบบเนี้ยแล้วตัวเรามันอยู่ตรงไหนมันจะเข้าใจได้เลยว่าความเป็นตัวตนตัวเราที่แท้จริงอะ่ะไม่มีหรอกมีแค่ปัจจุบันขณะแล้วหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปทีเนี้ยถ้าเข้าใจโดยภาพรวมแบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่าเออเนาะชีวิตที่เกิดมานี่มันไม่มีไม่มีตรงไหนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวตนเป็นเราเลยมีแค่สิ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปอย่างนี้ยอืม เพราะนั้นก็เนี่ยถ้ายังไม่ตายอย่างเนี้ยยังไม่ตายหมายถึงขันห้ายังอยู่เนาะยังไม่สิ้นเราหมายใจก็อยู่ในโลกนี้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ให้เห็นความจริงอย่างเนี้ยเรื่อยไปเออว่ามันเกิดแล้วก็หมดไปหมดไปหมดไปอ่าอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักในสิ่งที่เกิดแล้วก็สิ่งที่ดับแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดับคือมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดสี่ดับนะสิ่งเกิดสิ่งดับรู้กแล้วเห็นไหมที่เรียนมารู้จักแล้ว แต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือมันไม่ปรากฏอะไรเลยมันไม่ปรากฏอะไรเลยเพราะถ้าปรากฏมันก็เป็นสิ่งเกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เกิดก็คือสิ่งที่ไม่ปรากฏซึ่งไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาเลยจะเจอได้ยังไงเพราะมันไม่ไม่มีมันไม่ปรากฏเนาะไม่ต้องไปหาเพียงแต่ว่ารู้สิ่งที่ปรากฏนี่แหละรู้สิ่งที่เกิดรู้สิ่งที่ปรากฏพอรู้ไปรู้มาเสร็จแล้วมันก็จะรู้เลยว่าไอ้ความรู้นี่แหละไอ้ความรู้อ่ะที่มารูไอ้สิ่งที่ปรากฏ มารู้สิ่งที่เกิดไอรู้อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏเสียเองอเห็นไหมเพราะนั้นที่เราฝึกกันเอาเป็นเอาตายเนี่ยฝึกอะไรก็คือฝึกให้ให้มีตัวรู้ให้เข้าถึงผู้รู้แล้วสุดท้ายจะเข้าใจเลยว่ารู้นั่นแหละเป็นความที่ไม่ปรากฏจะเรียกว่าใจก็ได้นะรู้เนี่ยจะเรียกว่าใจก็ได้ใจเป็นความไม่ปรากฏนอกนั้นไม่ใช่ใจนะสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดไม่ว่าปรากฏในใจไม่ว่าปรากฏที่กายไม่ว่าปรากฏ นอกตัวเราเป็นสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดแต่ใจเป็นความไม่ปรากฏจึงได้แต่รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รู้หมดเลยอเพราะฉะนั้นใจแล้วก็คือเป็นความที่หลุดพ้นเสียเองคือหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากจากทุกทั้งปวงหลุดพ้นจากความปรุงแต่งหลุดพ้นจากสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใจแล้วเนี่ยก็รู้จักเลยว่าอ๋อปฏิบัติธรรมนี่เนาะมันพ้นทกุก็คือพ้นทุกที่ใจนี่แหละ ใจนี่แหละเป็นผู้พ้นซะเองแต่ที น, นี้บางคนพอมองถึงใจอาจจะมองถึงใจมีรูปร่างหน้าตาเป็นรูปหัวใจนะอันนั้นไม่ใช่ใจเพราะใจต้องเป็นความไม่ปรากฏอะไรเออถ้ามันปรากฏมันไม่ใช่ใจจำหลักแบบนี้เลยอะไรปรากฏไม่ใช่ใจใจไม่เคยปรากฏใจมีแต่ความรู้ยมลองนึกดูสิเวลาเกิดขึ้นในใจเนาะความรักความโกรธมันไม่ได้เกิดกางอากาศเนาะมันก็เกิดมันเกิดในตัวเรานี่แหละ แต่เขาเรียกว่าเกิดในใจแต่ใจมันมันไม่มีไงมันไม่มีมันไม่มีตัวใจมันไม่มีลักษณะของใจว่าใจเป็นยังไงแต่ไอสิ่งที่เกิดดับในใจอ่ะมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในใจก็มันก็แค่นั้นเองก็คือแค่รู้ไปเออแค่รู้ไปบอกว่าใจกับสิ่งที่เกิดดับในใจมันคนละสิ่งกันเป็นธรรมชาติคนละอย่างใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏ ใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกข์ไม่สุขส่วนสิ่งที่เกิดในใจมันก็มีมากมายตามที่รู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าอสิ่งที่เกิดจะไม่ดับยังไงมันก็ต้องดับเพราะฉะนั้นก็ใจนั่นแหละมันจะมารู้รู้สิ่งเกิดดับแล้วใจก็ไม่ได้ทึ่ยึดถืออะไรก็จึงเป็นความพ้นทุกข์ไปตลาดนมาสการครับหลวงพ่อพอดีเพิ่งเพิ่งเข้ามาฟังได้ห้านาทีครับก็เลยยังไม่มีคําถามครับอที่ปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นยังไงมัง่ง ทำแบบไห น, นยังไงมาก็ฝึกรู้รู้รู้ตัวครับฝึกรู้ตัวก็ฝึกไปเรื่อยครับบางวันมันก็รู้ตัวได้ดีบางวันก็ไม่ได้ดีมันก็สลับกันไปนะครับวนเวียนไปครับแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยยังปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างอื่นไหมอยากให้ดีหรื อ, อยังไงหรือดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ถ้าเป็นช่วงที่มันรู้สึกว่ามันฟุ้งมากๆ ม, มันก็จะมีกิเลส คิดว่าอยากให้มันได้ดีแต่มันซ่อนกิเลสอยู่ใช่ครับแต่แ ต, แต่ช่วงที่มันเออมันรู้สึกตัวแบบวันนั้นมันสบายๆมันก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากได้ดีครับมันก็ทาไปเรื่อยๆครับทำเรื่อยๆประมาณนั้นครับก็เราปฏิบัตินะเกิดอะไรขึ้นในกายในใจนะไอ้คําว่าดีกับไม่ดีเนี่ยนั้นมันเป็นความรู้สึกชอบของเราเนาะถ้าชอบก็จะบอกว่าดีถ้าไม่ชอบก็บอกว่าไม่ดีนั่นคือกิเลสของเราเอง เมื่อกี้ที่ที่โยมทวีศักดิ์พูดเนาะที่บอกว่าดีไม่ดีเนี่ยไอ้ตรงนั้นอ่ะมันเป็นความรู้สึกของเราว่าถ้าถูกใจเนี่ยถ้าให้เป็นไปตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นไปตามนั้นเราเรียกว่าดีแต่ถ้ามันเป็นอาการเป็นความรู้สึกที่ไม่ถูกใจเราเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีตรงเนี้ยทุกคนก็ฟังร่วมกันก็คือให้เข้าใจตรงกันก็คือว่าไอ้พวกนั้นแหะมันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้รู้เท่านั้นเอง เนาะไม่ต้องไปไปยึดว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าถ้าความรู้สึกอ่ะมันโอเคมันมันมองเป็นแหละว่าแบบเนี้ยเออเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีสิ่งนี้เรียกว่าดีแต่ทั้งดีทั้งไม่ดีเอาแค่รู้มันเฉยเฉแค่รู้มันตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องไปฝึกเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีความเป็นกลางมากขึ้นมันจะได้ไม่ไม่ติดนะไม่ติดดีหรือไม่ก็เรียกว่าไม่ติดดีหรือรังเกียไม่ดีดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ใช้หลักคือรู้อย่างเดียว เนี่ยหัวใจของมันคือรู้อย่างเดียวเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นแค่เกิดแล้วก็ปรากฏหมดไปใช่ไหมทั้งดีทั้งไม่ดีเกิดแล้วปรากฏหมดไปเออเพราะนั้นทั้งทางกายก็ดีทางจิตใจก็ดีที่มันมีปรากฏขึ้นใช้หลักสติปัฏฐานสูตรก็คือแค่รู้แค่รู้สาธุครับหลวงพ่อยมเข้ามาใหม่นะหลวงพ่ออาจจะไม่ทันเห็นยกมือก็ได้เพื่อแสดงว่าเอออยากจะคุยบอกเล่า นะอย่างบอกเล่าอย่างโยมทวีศัก์อย่างเงี้ยเห็นไหมโยงก็มาบอกเล่าบอกเล่าตามที่ตัวเองรู้สึกบางทีรู้สึกดีบางทีรู้สึกไม่ดีแต่ทีนี้ถ้าถ้าหลวงพ่อไม่บอกผู้ปฏิบัติก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็จะเอาแต่ดีหลวงพ่อก็บอกว่าดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาคําว่าไม่เอาทํำยังไงก็คือแค่รู้มันประมาณโอปประมาณนะถ้าสมมติเรามองกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวเนี่ยเช่นสมมติว่าฝนตกแดดออก สมรตว่านตกแดดออกซึ่งมันมีลักษณะไม่เหมือนกันแต่การปฏิบัติเพื่อไม่ต้องทุกข์กับฝนไม่ต้องทุกข์กับแดดก็คือว่าเมื่อแดดออกก็คือรู้แล้วว่ามันมันมีมันมีแดดออกอย่างนั้นฝนตกก็รู้แล้วว่ามีฝนตกอย่างนั้นโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปไปเลือกว่าให้มันต้องเป็นอย่างนั้นให้ต้องเป็นอย่างนี้คือให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นรับรู้รับรู้อย่างที่มันเป็นมันแดดออกก็รู้ว่าแดดออก แดดไม่ออกแล้วก็รู้ว่าแดดไม่ออกแล้วฝนตกก็รู้แล้วว่าฝนตกฝนหยุดก็รู้แล้วว่าฝนหยุดไม่ต้องไปแทกแซงเขาการรู้แบบนี้เขาเรียกว่ารู้อย่างไม่ไม่เป็นทุกข์ที่ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรกไไ็ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วก็ไม่ไม่ไปไปอยากที่จะให้เขาเป็นอะไรเออเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจก็เหมือนกันให้รู้เหมือนกับว่ารู้รู้ฝนตกแดดออกนี่แหละ อ, อต้องไปฝึกมันหัวตกแดดออกยังไงก็รู้อย่างนั้นในจิตในในกายในจิตมันมีอาการอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอ่านะหลวงพ่อพูดคนเดียวะมันหมดเรื่องนะพวกพวกมัก็จะพูดอะงั้นกันเดี๋ยวขออนุญาตเติมเติมหลวงพอ่อน้่ไหมครับของของคุณทวีศักดิ์ครับเดี๋ยวผมขอขอแชร์ประสบการณ์ที่ที่ผ่านมาของผมะฮะที่เคยทำํำคล้ายๆคุณทวีศักดิ์มาเนี่ยฮะก็คือฝึกดูสภาวะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรียบรู้บ้างลงบ้างอะไรอย่างเงี้ย คือจะมีประสบการณ์คล้ายกันอะอย่างนี้ฮะที่นี่ของผมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็หลงผิดไปผมก็จ้องจะหาตัวรู้อย่างเดียวคือแบบไปผิดทางครับผมผมเสริมนิดนึงคือพอหลังจากดูสภาวะอะไรอย่างเงี้ยฮะคือสังเกตดูมันมันจะเริ่มมีตัวตนของเราขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความผลักไสหรือความอยากดึงอยากยึดอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตัวพูดผู้จ้องผู้ผู้ดูก็ดีเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็ห ล, ลงอะไรอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะ ประจบกับฟังธรรมะหลวงพ่อบ่อยๆจะเห็นว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งสิ่งชั่วคราวมันมันเกิดดับสิ่งพวกเนี้ยสังขารต่างๆเหล่านี้ยมันเป็นทุกโดยตัวของมันอยู่แล้วมันเกิดดับของมันอยู่แล้วเราไปทําอะไรไม่ได้เยดูไปเรื่อยๆเนี้ยแล้วก็จะเห็นว่ามันมันว่างเปล่าครับผม น, นี่ผมผมแชร์ประสบการณ์ผมนะครับหลวงพ่อครับเออเออแงสังเกตเออจะได้ตัง้งจ้กสังเกตอย่างนี้แหละแจ้งสังเกตเออแจงสังเกตสังเกตสังเกต นะครับพ อ, พอฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันผมใช้คําว่าเราเราฟังธรรมะหลวงพ่อเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยเข้ามาบ่อยกันมากคือเราเราเข้าใจแน่นอนผมมั่นใจเลยทุกคนเข้าใจทีเนี้ยพอฝึกไปเรื่อยๆมันจะมีคํานึงคําว่ามันจะถึงใจคือเหมือนแบบพอฟังแล้วปฏิบัติเนี้ยแล้วเราเห็นสภาวะแวบหนึ่งเนี่ย<ม>แล้วความรู้มันมันจะตกผลึกแล้วก็ตรงนั้นจะติดตัวกับเราเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆอยครับผมครับแต่ก็อย่างที่บอกก็ก็สุดท้ายแล้วก็ตัวตั ว, ตวรู้เนี่ย ก็สําคัญแต่สุดท้ายก็ต้องวางมันลงนะครับครับใช่ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นมันขั้นละเอียดมากนะตัวตัวรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากสิ่งที่รู้ได้ยากแต่ว่าถ้ารู้เป็นแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าจะเห็นตัวรู้อยู่เรื่อยตัวรู้ที่เป็นตัวเรารู้นะเออจะเห็นอยู่เรื่อยแล้วก็ขณะที่เห็นว่าตัวเราเป็นผู้รู้เนี่ยมันก็จะมีอีกรู้หนึ่งที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวที่รู้ตัวเราตรงนั้นแหละมันเหมือนกับว่ามันมันเป็น เป็นธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่า Ryan. บางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยใช่ไหมเออทีนี้เมื่อเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยแล้วสักวันหนึ่งรู้จักพอรู้จักปั๊บเนี่ยมันจะลงแก่ใจเลยว่าไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเพราะเหมือนกับว่าตัวเราเพิ่งจะมารู้จักเลยเข้าใจได้อย่างแบบชัดเจนเลยว่าไอ้ธรรมชาติที่รู้ตัวเราอย่างไงก็ไม่ใช่ตัวเราอ่า และทีนี้พอมามองที่ตัวเราก็ปรากฏว่าตัวเราก็คือขันห้าเป็นของเน่าเปือ่อยผุพังเป็นของที่เกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมอ๋อไอ้ตัวเรานี่มันเป็นของปลอมเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนยึดถือไม่ได้เห็นไหมมันก็เกิดการปล่อยวางขึ้นมาเกิดการปล่อยวางคือรู้จักตัวเราก็ไม่เอาไม่ยึดไม่ถือเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทางเป็นทางที่จะเขาเรียกว่าทําให้เกิดการเบื่อหน่ายเนาะเบื่อหน่ายในในสังขารเบื่อหน่ายในความเป็นทุกข์ ของสำคาญเบื่อหนในความเป็นอนัตตาก็ค่อยๆปล่อยวางปล่อยวางทีนี้เมื่อปล่อยวางแล้วมันก็จะเหลือแต่รู้รู้ไหนไอรู้ที่ที่มันมารู้เรานี่แหละไอรู้นั้นแหละเป็นรู้ที่บริสุทธิ์ผุดพองเป็นรู้ที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นรู้ที่เออเขาเรียกว่าเข้าเป็นนิพพานอะ่ะเป็นสูนนิพพานไปเลยทีนี้ถ้าเราเห็นภาพชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยมันการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับว่ า, วาเราไม่ไ ม, ไม่ไม่เคว้งคว้างแล้วเพราะเห็นทางชัดเจนอ่ะ แต่ถ้าเราไม่เห็นตรงเนี้ยก็ยั ง, ย, งยังเคว้งคว้างยังหายังค้นอยู่ว่าอะไรพนทุกพ้นทุกเป็นยังไงอะไรคือทุกมันก็ยังเคว้งคว้างมากแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้ก็โอ้ชัดเจนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมรคเป็นมรคเป็นทางของมันชัดเจนอนนี้ถ้าฝึกมารู้ตัวเราก็อย่างที่บอกอีกนั่นแหละต้องกลับมาอีกเห็นตัวเราจะเดิน <Okay. S 1> จะนั่งก็มาซ้อมถ้าไม่เข้าใจก็มาซ้อมอย่างที่โยมหนึ่งว่าแหละรู้ตัวเราในห้องอ่ะที่อยู่คนเดียว จริงๆมันมีอุบายเยอะนะแต่อันนี้ก็เป็นแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะหรือเราอาจจะบางทีหลงก็ยกตัวอย่างประเก่าก็ได้นะเอาสมมติว่าพวกเราเนี่ยทุกคนน่าจะขับรถเป็นเออเวลาขับรถเป็นอนะ่ะโยมดูดิมันดูง่ายมากเลยเวลาขึ้นไปนั่งในรถเนี่ยเนะมันก็รู้จักทั้งรถแล้วก็รู้จักทั้งตัวเราตัวเราก็นั่งอยู่ในรถเออแล้วก็ตัวรถก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ เนี่ยพอเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเข้าใจเลยว่ามีธรรมชาติที่มารู้เราแล้วเราเราก็เป็นสิ่งถูกรูก้เนี่ยฝึกอย่างเงี้ยแล้วก็พอนั่งไปรถพอนั่งในรถมันก็เห็นตัวเราแล้วก็ลมลงออกมาจากรถโดยทีมันก็เห็นตัวเราเดินลงมาจากรถอีกแล้วเนี่ยมันเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะชํานาญชํานาญแล้วต่อไปมันจะพัฒนาแบบต่อยอดไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนี <L> อแต่ทีนี้ถ้าสมมติหลวงพ่อบอกแค่นี้แล้วโยมก็รู้แค่นี้ มันก็มันก็แค่นี้วันนั้นต้องไปต่อยอดเหมือนโยมหนึ่งเนี่ยเห็นไหมไปต่อยอดไปสังเกตอะไรเนี่ยก็มันก็ทำให้รอบรู้มากขึ้นคือรอบรู้ในอิริยาบทของตัวเราตัวเราเดินตัวเรานั่งตัวเรานอนตัวเราอยู่ที่ไหนโอธรรมชาติรู้มันอยู่ทุกแห่งเนาะเราไปอยู่ที่ไหนธรรมชาติรู้มันก็มันก็ติดตัวเหมือนกับว่ากู่แฟน่ะ <laughs> ดำดินดำดินหมุดดินได้เนาะโอ้มันก็ตามมารูอีกว่าเรามุดดิน <laughs> เราขึ้นเครื่องบินเอา้ามันก็ตามรู้เราอีกว่าเราขึ้นเครื่องบินหรือเราจะไปอยู่ที่ไหนอะไปอยู่ในที่ไม่มีผู้คนเลยเข้าในป่าลึกเอา้ามันก็ตามมารู้เราอีกว่าเราอยู่ในป่าลึก